ผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีบุญกุศลทุกอย่างพระองค์เนี่ยดีที่สุดในหมู่ชนทั้งหลายข้อความในบาลีหน้า9กล่าวถึงว่าท่านภาษารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิและฌานภาษารีบุตรนี้ยืนอยู่ที่ภูเขาคิชกูดก็เห็นพระผู้นําโลกคือภาษารีบุตรนั้นไม่ได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกันตอนที่พระองค์้เสด็จจากเมืองราชครือไปสู่เมืองกบิลพัทภาษาริบุตรไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยภาษาริบุตรอยู่กับพระพิสุประมาณห้ารอรูปที่เมืองราชครกอจำวัดอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏภาษาริบุตรตอนที่ท่านอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏเห็นพระนราสภะมองเห็นโดดเด่นเหมือนต้นพญาสาพรพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งมองเห็นเหมือนเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้า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 เป็นผู้มีปัญญารักษาตนสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะรับคำภาษาริบุตรภาษาทุแล้วก็ถือบาทจีวรเรียบเข้าไปหาพระเถระพระสรีบุตรผู้มีปัญญามากกับพระภิกษุขีนาศพทั้งหลายผู้ไร้มนทินผู้ฝึกแล้วเพราะการฝึกที่สูงสุดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฤทธ พรภาษาฤบตรเจ้าคณะใหญ่อันพิสูจ์เหล่านั้นแวดล้อมแล้วลีลา ง, งดงามเข้าไปเฝ้าด้วยฤทธนะท้องนภาการเหมือนเทวดาพระพิสูุเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะมีมารยาทงามไม่ไอาไม่จามมีความเคารพมีความยำเกรงเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าครั้นเฝ้าแล้วก็ดูพระสยามภูผู้นําโลกเหมือนดูดวงอาทิตย์อุทัยในนภาการเหมือนชมดวงจันทร์ในท้องฟ้า เห็นพระผู้นำโลกเหมือนต้นประทีปที่ลุกโพลงคือมองเห็นรุ่งเรืองเหมือนกับไฟที่ทส่องประกายออกมาเหมือนเห็นสายฟ้าเล็บในท้องฟ้าเห็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันพระพิสุท์ทั้งหมดห้าร้อยรูปเห็นพระผู้นำโลกผ่องใสเหมือนห้วงน้ำผ่องแผ่เหมือนดอกประทุมที่บานงามต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจ พากันประคองอัญชลีหมอบนมัสการณ์ณระลักษณะจักของพระศาสดาก็แปลว่ากราบ เ, ท, เ ท, ท้าของพระพุทธเจ้าผู้มีพระพุทธบาทเหมือนกับลักษณะแห่งจักก็เหมือนกับกรงจักนั่นเองในอัตถกาถาอธิบายว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมะกะปาฏิหาริย์ในรมมิรัตนาจงกรมพระองค์เสด็จจงกรมอยู่บนที่รัตนาจงกรมที่สําเร็จด้วยรัตนาอยู่นั้นเนี่ยนะแสดงยมะกะปาฏิหาริย์ด้วยลวดลายวิจิตพร้อมกับการแสดงธรรมเป็นต้นภาษาริบุตรพร้อมด้วยภิกษุบริวารประมาณ500รูปที่อยู่ณนภะูเขาคิจกูดกรุงราชเครือ ก, ยนะกายนโคนหกสโยต์ก็มองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมองเห็นดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน ครั้งนั้นพระเถระก็ตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระองค์เนี่ยเสด็จจงกรมอยู่ณรัตนจงกรมณอากาศกรุงกบิลพัทเหตุ น, นั้นพระสังคีติกาจาย์จึงกล่าวว่าท่านภาษาริบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานท่านอยู่ที่ภูเขาคิจกูดก็เห็นพระผู้เป็นนายกของโลกอธิบายว่าพภาษาริบุตรผู้มีปัญญามากก็คือมหาปัญญาเนี่ยนะ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 ท่านก็ฉลาดทั้งหมดเนี่ยนะมันฉลาดเจริญเมตตาฌานที่มาจากกะสินมาจากอสุภะมาจากอนาปานสติหรือจากพรหมวิหารทั้งหลายทุติยฌานที่เกิดจากกะสินเกิดจากอนาปานสติหรือเกิดจากเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นก็ได้เนี่ยนะท่านสา ม, มารถที่จะเข้าฌานโดยนยยต่างๆโดยแง่มุมต่างๆไดอย่างไม่ขัดข้องเพราะท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ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 ลักษณะเข้าไปเพ่งอนิจจลักษณะเข้าไปเพ่งทุกขลักษณะเข้าไปเพ่งอนัตตลักษณะการที่สามารถเข้าไปเพ่งอนิจจาลักษณะทุคลักษณะอนัตตลักษณะด้วยวิปัสนาทั้งหลายนี้เรียกว่าลัคนูปนิชานกระว่าเข้าไปเพ่งสามัญยักลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่เป็นทุกข์ของสังขารทั้งหลาย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 ก็เจีงก็ชาปนากิจก็คือทำรรกิจคือการเผาถามว่าเมื่อเพ่งลักษณะอนิจจลักษณะทุคลักษณะอนัตตลักษณะเผาอะไรบอกว่าเผาวิปปาราตทั้งหลายนนะถ้าเพ่งอนิจจาลักษณะเห็นอนิจจาลักษณะก็เผาวิปปาราตคือนิจจาวิปปาราตไม่ว่าจะสัญญาวิปปาราตจิตตาวิปปาราตหรือทิฏฐิวิปปาราตก็ทำด้วยอนุภาพของอนิจจาอนุปัสนาจะเผานิจจาวิปปาราตทั้งหมด ด้วยอนุภาพของทุกขานุปัสนาจะเผาจะเผาอะไรจะเผาสุขวิปลาสด้วยอนุภาพของอนัตานุปัสนาจะเผาอัตวิปลาสเนี่ยนะอัตวิปลาสเพราะฉะนั้นอนิจจานุปัสนาเพ่งอนิจจลักษณะทุกขานุปัสนาเพ่งทุกขลักษณะอนัตานุปัสนาเพ่งอนัตตลักษณะเมื่อเพ่งอนิจจาลักษณะก็เผานิจสัญญา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 ถ้าจเจริญวิปัสนาอย่างเดียวแล้วเข้าสมาบัติอันนั้นเรียกว่าเป็นพระสมาบัติถ้าจเจริญ น, นิมิตทั้งหลายที่เป็นนิมิตของฌานทั่วๆไปถ้าจเจริญนิมิตแห่งฌานทั้งหลายทั่วไปก็จะเข้าเรียกว่ารูปฌานสมาบัติหรืออรูปฌานสมาบัติเพราะว่านิมิตแห่งรูปฌานสมาบัติและอรูปฌานสมาบัติ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 เราวัสมัทวิปัสนาต้องเคียงคู่กันไปต้องมีปัญญาภะมีสมาธิภะจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะสำหรับพระอนาคามีหรือพระอาหารหันต์ผู้ได้อรูปฌานด้วยนั้นภาษาริบุตรนั้นเป็นผู้ฉลาดในลักคนูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌานเพราะอารัมมณูปนิชฌานก็คือการเจริญกสิณทั้งหลายเช่นปัทวีกสิณเตโชกสิณวายโอกสิณเข้าไปเพ่งอารมณ์แล้วก็เผานิวรณ์ทั้งหลาย ถ้าปฐมฌานก็เผานิวรณ์เนี่ยนะเผากามฌานถ้าพยาบาทีนมิท่อุทจักกุกุจะและวิจิกิจฉาออกไปได้ทุติยฌานเผาวิตตกวิจารตติยฌานเผาปีติเจตุทชฌานเผาสุขเหมือนนนาะค่อยๆเผาระดับล่างๆขึ้นระดับสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆภาษารียบทเป็นผู้ฉลาดในสมาธิทุกชนิดฉลาดในฌานทุกประเภทในวิสัยของสาวกทั้งหลายเนี่ยนะ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 พระองค์มีศีลเป็นรากรากคือศีลของพระองค์มั่นคงยิ่งนะักมีสมาธิเป็นลําต้นลําต้นของพระองค์นี่ก็คือสมาธิพระองค์มีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายขยายออกไปแล้วก็มีอภินญาเป็นดอกมีวิมุติเป็นผลเนี่ยนะสามัญญผลเป็นต้นเนี่ยนะสามัญญผลก็คือโสดาปฏิผลสกาธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตาผลทั้งหลายเนั้นลําต้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นลําต้น สมาธิมีศีลเป็นรากมีปัญญาเป็นกิ่งก้านสา ข, าขาขยายออกไปมีอภิญญาเป็นดอกบานสะพรั่งมีวิมุตเป็นผลเหมือนพระยาสาระมีลำต้นกลมกลึงมีกิ่งประดับด้วยตาตูมผลใบอ่อนและหน่อที่อวบขึ้นดกมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นเนี่ยนะไปวัดบางแห่งเนี่ยนะเขามีต้นสาระโดยเฉพาะสาระสายพันลังกาเนี่ยมันจะมีออกดอกออกช่องงดงามเนี่ยนะ งดงามในทั้งต้นจริงๆอะนะอย่างที่กล่าวไปนี่แหละไปเห็นหลายๆแห่งอะนะสาระพันลังกาจะมีอย่างนั้นบทว่าจันดังว่าคัคเนยถาความว่าพระสารีบุตรตรวจ ด, ดูพระมูนีผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาและใจพระองค์ผู้ประเสริฐเหมือนดวงจันทร์ผู้ทำการกําจัดความมืดคือกิเลสคือความเศร้ามองทุกชิตแล้วก็กิเลสเนี่ยสมมติว่าตาแดงตาอักเสบเนี่ยทาให มองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดฉันใดผู้ที่ใจประกอบด้วยความเศร้าหมองก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ถูกความมืดครอบงำกลุ่มรุมพระองค์ผู้ทำความแย้มแก่ดงโกมุดคือเวนยชนถ้าหากว่ามองพุทธเวไนทั้งหลายผู้ที่พอจะบรรลุธรรมทั้งหลายก็เหมือนดอกบัวเหมือนดอกบัวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ทาให้ดอกบัวเหล่านั้นบานได้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 เหมือนพระจันทร์วันเพ็นแล้วเราชมจันทร์ชันใดภาษารีบุตรยืนอยู่ที่ภูเขาคิชกูดห่างจากเมืองกบิลพัทหกสิบโยชธมองเห็นพระพุทธเจ้าฉั้นนั้นเหมือนดวงจันทร์ในวันเพลนมัชชันหิเกวะสุเรยียงความว่ารุ่งโรดอยู่ดุจ ด, ด, ดวงอาทิตย์ที่สองแสงเป็นช่อเป็นชั้นด้วยสริเวลาเที่ยงวันเคยเห็นดวงอาทิตย์เที่ยงวันมีมีทรงกรดแล้วก็มีรมัศมีออกมาพุ่งเป็นช่อเป็นช่อชันใด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 มองด้วยศรัทธาครัอันนี้เป็นเหตุให้ดวงตาเนี่ยใสยนะเป็นเหตุให้ดวงตาใสาบุญที่มองพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เริ่มเลื่อมใสใจที่ศรัทธามองด้วยสายตาอันเป็นที่ที่รักเป็นที่เจริญใจเห็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกเป็นบุคคลผู้สูงสุดนะอันนี้สองอันนั้นเนี่ยท่านบอกว่าทําให้ผู้นั้นเกิดมาดวงตาเที่ ผ่องใสดวงตาที่ไม่คุณไม่มัวตาไม่เลตาไม่เขไม่เอียงเป็นต้นก็เป็นคนที่มีสุขภาพตาชั้นเยี่ยมด้วยด้วยเกิดจากสัมมนา น, นันจะทัศน a n การ n พบเห็นพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครไปดูพระพุทธรูปก็อย่าไปดูติก็แล้วกันพระพุทธรูปก็ยังตำหนีแล้วก็ไม่ต้องกล่าวทั้งอย่างอื่นแล้วว่างนั้นยังก็พยายามให้มองด้วยมองแล้วก็ระลึ ก, ลกถึงพระพุทธคุณอย่าไปมองติดที่สีอย่างนั้น พระพุทธเจ้านั้นพระองค์รุ่งเรืองฉลันตังก็คือรุ่งเรืองอธิบายว่าพระองค์รุ่งเรืองอย่างไรพระวรสรีระสารีระอันประเสริฐของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าประดับพร้อมด้วยมหาบุริศลักษณะ32ประการอันอสีตินุพยัญชนะคือรายละเอียดเล็กน้อยทั่วไปในสรีระอีก80อย่างมีพระพักเป็นเหมือนทองงามเนี่ยนะเขาบอกผิวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็คือเหมือนกับทองเนี่ยนะทองชมพูนุ๊ก ปราศจากราธีฉันใดผิวพันธุ์ของพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นมีเสรดังพระจันทร์เต็มดวงในฤดูศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าครัว่าหน้าเอิบอิ่มนะหน้าห น, น้าของผู้ที่เขามีความสุข น, นะไม่ใช่หน้าของคนเดือดร้อนหน้าคนลำบากกายลำบากใจไม่ใช่เพราะพระองค์พ้นจากความลำบากทางร่างกายและจิตใจโดยประการทั้งปวงท่านถ้าสมว่าพระองค์เมื่อนิดเดียวก็เข้าฌานก็ร่างกายก็สบายแล้วล่ะเพราะ ง, งั้นันร่างกายและจิตใจของพระองค์เนี่ยอยู่ด้วย ความสุขจริงๆทันร่างกายของพระ อ, องค์จึงรุ่งเรืองอยู่ด้วยพระพุทธสิริอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสรีระที่บุญกรรมที่พระ อ, องค์สร้างมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับมาตกแต่งให้งดงามยิ่งนักเนี่ยในส่วนกรรมมชรูปจิตตชรูปก็มีมหามารัยมหาสมาบัติยานต่างๆของพระ อ, องค์เนี่ยนะเป็นปัจจัยแล้วก็อาหารชรูปพระ อ, องค์ก็สวยอาหารมนุษย์ด้วยอาหารทิพด้วย มันอิระยาบทพระองค์ก็สปายะพระพุทองค์เกิดอยู่ในสมัยที่อากาศสปายะเนี่ยนะอากาศสปายะมันถือว่าเป็นแผ่นดินที่สงบร่มรื่นนะไม่มีมลพิษไม่มีมลภาวะอะไรนั้นพระองค์จึงงดงามมากนะแม้ถ้าเกิดเร็วกว่า น, นี้หน่อยก็ทันนั่นแหะแต่ยิ่งตอนนั้นก็เกิดอยู่แต่มันเกิดเป็นอะไรแค่นั้นเลยเหมือนกัน บอกว่ามองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนอะไรทีปะรุกขังวะดุดต้นประทีปที่เขายกประทีปเอาไว้ถ้าเป็นโบราณเลยนะก็คือพูดแบบของเราก็คื อ, อโคมไฟที่เขาตั้งไว้ตามที่ต่างๆนะคือมองเห็นพระพุทธเจ้าเด่นชัดเหมือนกับมองโคมไฟที่กําลังสว่างนั่นเองตุณนะสุริยังวะอุคตังได้แก่ดุดดวงอาทิตย์อุทัยใหม่ๆใครที่เคยดูดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าๆเนี่ยนะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นที่โกดแก้วนะ่ะเห็นชัดงั้นงามมากางั้น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 ทีรังปสติโลกนายกังเห็นพระผู้นำโลกนายกก็คือพระผู้นำโลกแล้วก็ทีรังก็ผู้เป็นปราชเนี่ยนะผู้เป็นปราชของโลกพระผู้นำโลกพระผู้เป็นปราชของโลกเนี่ยนะผู้นำโลกก็นำโลกออกจากวัฏทุกข์ทั้งหลายนำออกจากสังสารทุกข์นำออกจากความทุกข์ทีนี้พระองค์เป็นปราชของโลกก็คือช่วยช่วยบอกโลกช่วยแนะนำให้ชาวโลกรู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักเหตุแห่งความเจริญรู้จักเหตุแห่งความเสื่อมฉะนั้นพระ อ, องค์จึงเป็นปราฏผู้ชี้แจงแสดงให้โลกรู้จักความดีความชั่วรู้จักอะไรควรเจริญอะไรควรละเนี่ยะ